นี่สมควรเกี่วเวลาแล้วนะพอจะรู้จกกักพระพุเจ้าในเะดวต่อไปก็จะเดินในเรื่องของบารมีในช่วงบ่าทถ้าสมัยก่อนนี่เขาจะสาธยายพระพุทธคุณโดยเฉพาะจะสาธยายเป็นอิติปิโสรัตนามาลาจะมีอยู่ร้อยแปดบทในร้อยแปดบทนี่เขาจะรเสริญคุณของพระพู้มีพระภาคเจ้าค่อนข้างให่เยอะเนะี่ย มาเคยมาสาธยายจะมีทั้งพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณที่จริงถ้าโบราณอาจารย์เนี่ยเขาจะแปลถ้าสมัยโบราณจริงๆเนี่ยเขาเขาสาธยายมาแล้วเพื่อเอาเป็นเอาไว้ภาวนาป้องกันพยันอันตรายเ <c oughs> ขาไว้ป้องกันอย่างคำว่าอิติปิโสเนี่ยท่านจะเน้นขยายเป็นรัตนเวลาจะ้อย้อย้อยขยาย สัพพันเป็นคาถาขั attracting. นมาคาถาก็เป็นบทขับนั่นเองอย่างคำว่าอีที่เคยมากล่าวไว้ที่ว่าอิทโทสัพพันยุตยานังอิันโตอาสวะขายังอิทังดัมมังอนุปโตอิทิมันโตนามามิหังตรงนี้ใกล้สาธยายก็ให้ภาวนาทุกวัน ป้องกันพยายนอันตรายได้แต่คําแปลก็คือว่าพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดทรงปราถนาสัพพยุตยานปรารถนาอนุปาธาบริมีพานทรงปราถนาธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะก็ได้ทรงบรรลุ ธ, ธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสําเร็จพระองค์นั้นด้วยเสียนกลรา อันนี่ก็มาจากคาว่าติโนโยวัต no ุคคำหาตินังโลกานมมตโมติโสบุมิงอติกันโตตินาโอขังนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์ใดทรงข้ามพ้นแล้วจากทุกในวัตตะแล้ว เป็นภูมิทรงพระคุณอันสูงสุดแห่งไตรโลกทรงล่วงไตรภูมิได้แล้วข้าพะเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอค้าแล้วพระองค์นั้นโดยเสียงนี่ส่วนคำว่าปิเนมาจากคาว่าปิโยเดยวมนุสานางังปิโยพรัมมานมุตาโม ο, ปิโยนาคาสุปันนานางัง ปิจินเรียงนมามิฮังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตวระชานมีนาครุดเป็นอาธิขปาเาจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์อิ่มพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวนั่นคือบทบทพุทธคุณ ถ้าเป็นบทในธรรมคุณท่านก็นจะมาขยายสวาขาโตพระกวดาธโมสันติโกเป็นต้นที่เราสวดกันเมื่อสักครู่นี้สวากนีม่มาจากคำว่าสวากตันตังสิวังระมังสวานายังธรมมามเดสิตังสวาหุนยังปุญญาเคตังสวาสพันตังนามามิหัง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 ขาดันโตโยสพปปาปังขาโยโตโยจะมาดุโรขายันตังติวิรังโลกังขาเยตันตังนามามิหังพระธรรมใดกัดกินกัดกินในที่นั้นแปลว่าทาลายซึ่งบาปธรรมทั้งหลายมีราคาโทสะโมหะเป็นต้น พระธรรมอันหวานชื่นอันใดที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันกัดปินบาปธรรมคือครอบงำโลกทั้งสามคือมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกไว้ปรากฏเด่นชัดอยู่โตเซนโตสบบับส ต, ตานังโตเซติดัมเทสานัง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 คลายราโทสะคลายโมหะคลายบาปประธรรมคลายความโง่คลายโทษทั้งหลายมีความอยากเป็นต้นคลายกิเลสเครื่องร้อยลัดเด้แล้วอันนั้นคือบทบูชาพระธรรมแต่มีเยอะเนะแตเียมามาก่าวเล็กเล็กน้อยเพราะเวลาจำกัดนิดนึงส่วนพระสงฆ์เนี่ยสังฆ ค, คุณท่านกล่าวไว้สิบสี่บทมีสุปฏิปันโนพระควโตวสาวกัสังโฆท่านก็ขยายศัพท์คำว่าสุ ป, ปะ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 ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นซึ่งเป็นผู้เข้าถึงความดีนั้นปะก็มาจจะคำว่าปฏิสัมพิธาปัโตโยปสัสโทวนุตอนุตาโรปัญญายาอุตตโรโเรเกปัสัทันตังนามามิหังพระสงฆ์ใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธา อันบันเสรละเสริญเป็นเยี่ยมอย่างเที่ยงแท้เป็นผู้ยิ่งด้วยปัญญาข้าพเจ้าขอนอบน้อมผระสงค์นั้นผู้น่าละเสริญในโลกติทัการาชิตโตสังโณติโทเิโรวสาซสาเสนติทิโยพุทโวเจเนติทันตังปินา ม, ามิหัง พระสงค์ชนะเจ้ารัตทีต่างๆเป็นครูผู้มีปัญญาในาศาสนาแท้เป็นเจ้าท่าในพระพุทธวจนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงค์นั้นผู้เป็นดุจท่าเราเนี่ยเข้าถึงฝั่งเข้าถึงท่ากันไม่ค่อยได้นะลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยท่าคือพระพุทธ ร, รัตนธรรมรัตนสังข ร, รัต น, น์นะเป็นท่าเป็นฝั่งเรือของเราเนี่ยนะ นาวาของเราเนี่ยเป็นนาวาที่ไม่ดีเข้าจอดเทียบท่าไปได้เลยท่าอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเลยพุทธเจ้าเลยพระธรรมเลยพระริยาสอ์มาไม่รู้กี่ยุคไม่รู้กี่สมัยเนี่ยอันความบริสุทธิ์นะถ้าถามบอกว่าพยานที่เป็นประฐานที่ไร้มนทินบริสุทธ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งซึ่งพึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือฉันนั้นโดยประการดังกล่าวถามว่าความบริสุทธิ์แห่งใจเนี่ย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 นั้นอารัตธรรมขยานที่เกิดขึ้นที่ต้นพระสีมหาโภนั่นแหละในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนั่นแหละที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละอารัตธรรมขยานนั่นแหละสร้างอะไรสร้างสัพพัญญุตยานสร้างพยานอันบริสุทธิ์หมดจดนะถ้าถามบอกว่าและอารัตธรรมขยานเนี่ยสร้างอะไรสร้างมาก็บอกมหาวชิระญาณหรือมหาวิปัสสนาญาณ มหาวิปัสนาญาณของพระบรมศาสดานต่างได้สองล้านสี่แสนโกดในไงสร้างมาเพราะว่าอาราธมขยานของพระบรมศาสดานเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของวิปัสนาญาณอย่างกว้างขงวางมากไม่ใช่วิปัสนาญาณช่องเล็กๆ เ, เหมือนทางเกวียนเล็กๆ เ, เหมือนทางคนเดินเล็กๆไม่ใช่เลยเป็นช่องทางอย่างมหึมาอย่างใหญ่โตอย่างใหญ่หลวงเลย ฉะนั้นมหาวิปัสสนาญาณนันต่างไปด้วยสองล้านสี่แสนโกไในนั่นแหละเป็นฐานเป็นที่มั่นของอารัธมะขยานถ้าบอกว่ามหาวิปัสสนาญาณสองล้านสี่แสนโกฏในเนะี่ยถามว่าอะไรสร้างมาสมาธิสองล้านสี่แสนโกฏไนน่เงินสร้างมา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 อินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะยัสสานิสิตาศีลต่างโดยสองล้านสี่แสนโคนในเดิมปริมาณของกุศลศีลที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏไงนั่นแหละเป็นฐานเป็นที่มั่นของสมาธิสมาธิก็เป็นฐานเป็นที่มั่นของวิปัสสนาวิปัสสนาก็เป็นฐานเป็นที่ตั้งของอรหัตมรัส อาราธรรมะก็เป็นฐานเป็นที่ตั้งของสัพพยุตยานาณาาวรณญ า, านอินทรียโปรภรยิยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยามากะปาฏิหาริยานของพระบรมศาสดาพุทธยานสิบสี่เวนี้กระทำสิบปดเวสารัชยานสี่ทศพลยาณสิบเป็นต้นพระยานทั้งหลายที่พระบรมศาสดาพระคุณทั้งหลายของพระเจ้าที่แผ่ไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละพระองค์บ่มเพาะมาด้วยได้อะไร ได้โพธิปักจียธรรมโพธิปักกิยธรรมก็มีอัจฉริยาสายทั้งหกบม่มอัตฉริยาสายทั้งหกก็มีพุทธบารมีสิบอุ ป, ป, ป, 10, ปาบา ร, รมีสิบปรมัทธบารมีสิบบารมีสาสิบทัศนนั้นเองบม่มหมายไหขัดเกาอัจฉริยสัยอัจฉริยสา ย, ย, าสายขัดเกาโพธิปัจกโพิปัจยธรรมก็ขัดเกลาสิกขาสาอันต่างด้วยศีสมาธิปัญญาเป็นต้นในส่วนจริงพระ อ, องค์ก็ได้ตัดส้วนุตตะลาสามมาสามโพธิญาณจริงๆแล้วเราท่านทั้งหลายก็มีบุญมาก ได้มีโอกาสในการศึกษาพุทธคุณของพระบรมศ า, ศาสดาได้เห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในน้อมจิตใจใช่ในถามในคำภีสังยุตตนิกายเนี่ยนะสขาทวัชฉบับพระบาลีนะเนี่ยเล่มที่สิบห้าพระบรมศาสดาตรัสว่าไงสีเลปฏิฐายานโรสปั ญ, ญโยจิตตังปัญญาจากภาวยังอาตาปีนิปโกภิโคโสอิมังวิชตเจชทันติ เห็นไหมพระพุทธโคสาก็ไปหยิบเอาพุทธคตบทนี้เลยมาตั้งฐานเป็นคมภีร์วิสุทธิมรรคเลยก็มาขยายย่อคําสอนอพระเจ้าออกเป็นวิสุทธิมรรคเป็นศีลนิเทศสมาธินิเทศแล้วก็ปัญญานิเทศนั่นแหละคือย่อใจความของมระไตรปิฎกเอาไว้เพระไตรปิฎกก็ต่างด้วยศีลของพระเจ้าไงสองล้านสี่แสนกฎในสมาบัติก็สองล้านสี่แสนกฎใน วิปัสนาญาณก็สองล้านสีส่แสนโกรธในอันเป็นฐานอวิมัญญของอรัตมรักรแล้วก็อันเปนฐานที่ตั้งของสัพพยุตยานเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมพอสรุปการตัดสรุปของพระเจ้าก็เลยมาสรุปย่อก็เป็นวิสุทธิมรัคขยายก็เป็นพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ฉะนั้นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นะเป็นการพารณาคุณของพระเจ้ามีนิดเดียวเองคุณของพระเจ้ามากกว่าพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์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 กุลบทกุลธิดาก็ได้บุคคลก็ได้ผู้มีปัญญาก็แบบมีศาสตรชาติกาปัญญามีปัญญามาจากการเกิดถ้าเป็นตีเหตุกาปฏิสนธิบุคคลนะเกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธพร้อมด้วยปัญญาแสดงว่าได้ฐานได้ทิปั้นมาจากการเกิดและก็มาเจริญศีลสีประการมีปาติโมกสังวรศีลเป็นต้นอิณฑรียาสงวรออาชิวะและปริสุทธิศีลและ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 เขาบอกผ่านพุทเจ้ามาเป็นอสองไขยองคนั้นต้องมาพิจารณาในบทอิติปิโสที่เราสาที่มาสาธยายมาสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าพระคุณของพระบรมศาษษษษสดานั้นมากทําไมท่านจึงกล่าวประพันธ์คาถานอบน้อมเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดเลยเนอะไม่ว่าแต่ละบทแต่ละบทที่กล่าวนอบน้อมคุณของพระบรมศาษษษษษสดานเนี่ยเป็นการกล่าวนอบน้อมเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นคุณของท่านนะ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 ถ้าเราเห็นคุณของพระบรมศา ส, สดาได้เนี่ยก็อย่างคำว่าติเนี่ยนะ